เวลานี่ก็ไปสี่เพ่งเราก็ทำจิตวัดร่วมกันทำวัดสวดอนเอาคงเทศขำสอนของพทธเจ้ามาสาธยายมีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเราให้ชอบให้ถูกท้อง แล้วก็เราก็มีการกระทให้เหมือนเกิดขึ้นในเรื่องที่ดีที่งามที่ชอบชีวิตเราก็สามารถได้ได้มีกาย ม, ใ ม, าา ม, ายมีใจเหมือนกันหมดสิทธิเท่าเทียมกันสามันลักษณะกายเหมือนกันใจเหมือนกันลักษณะของกายก็เหมือนกัน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 กรรมเป็นของจาแนกสัตว์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเร้ก็เลือกทำกรรมดีเรียกว่ากุศลเป็นกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลความชั่วก็ตั้งต้นจากความหลงกรรมดีก็ตั้งต้นจากความรู้สึกตัวก็เห ม, มือนกันหมดเราจะมีใน วิชากรรมฐานให้เป็นงานเฉพาะ่านใช้ชีวิตของเรามีโอกาสบ้างในชีวิตหนึ่งให้ได้มีโอกาสได้เป็นชีวิตส่วนตัวบ้างให้กายได้มีกิสละให้ใจได้มีสะละปลดปล่อยตัวเองบ้างมามีความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของกายผมรู้สึกตัวเป็นสมบัติของจิต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 ถูดขึ้นเรียกว่าโอปปาทิกะในกายในใจของคนเรานี่กรมาฐานเป็นความศักดิ์สิทธิ์เงินต่อจากกายจากใจเป็นดามมะกายมีความสุขตามนามะกายนา ม, มะกายไม่มีรูปไม่จะนามเหมือยถึงคุณธรรม อันรูปอันนามเป็นสุขเป็นทุกข์อันรูปอันกายอันกายอันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เต่อนนามะกายไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็สู่นิพพานเพราะละสุขละทุกข์เสียได้มีสติขุดเป็นเอกอยู่เป็นนิดจอตัวทชฌานปัจจมิฌานจอตัวเปว่าสีอันจะแเปรตว่าห้าระหว่าง เต้าต่อกัอนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามเป็นการสร้างให้ลาดเหมือนทางขึ้นเขาอย่างมันเป็นหน้าผาหนึ่งสองสามเยเป็นลาดขึ้นมา4ีห้าเลยก็ง่ายเหมือนทางขึ้นเขาที่มาวัดเราเนี่ย แต่ก่อนมันเป็นหน้าผาไม่เคลื่อมาได้จึงมีการกระทำมีวิถุกิจารณมีสุขมีทุกข์ข้างหัวมันอย่าไปสนใจสุขทุกข์เป็นเรื่องของจมโยมเสมอาปวิถุกิจารต่างๆคิดหนาเหตุน้ผลอยู่เล่นไปตามเหตุเล่นไปตามผล เอาเหตุเอาผลว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ต่ดิ้งใจทำเหตุตามผลไม่ถูกต้องเสมอไปซึ่งไกลชา้ามีปิติมีปัจธิมีความสงบไม่ต้องกินก็มีความสุขไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขได้สุขในในธรรมเพื่อปิติบ้ า, าวพระเจ้าตัดสู้ใหม่ จะบริมุติสุขคือนามกายไม่ได้เกี่ยวกับอาหารการกินกินน้ำลายอาจจะอิ่มได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีอาการต่างๆเกิดขึ้นบ้างอย่าไปหลงเคยเป็นเหมือนกันกินน้ำลายอิ่มเหมือนกันไม่ต้องจินเข้าก็ได้ มันมีปิติประชัทิเป็นเหยื่อเป็นอาหารใจถ้าหากว่าใจไม่มีอาหารในเลือดสันน้บกพ่องเป็นนิดหิวไม่ใช่อยากไม่ใช่หิวข้าวมันหิวจากความรู้สึกภายในดนั้นจึงฝึกตัวเองอย่าไปหลงเลยทั้งสิ้น มีสติแล้วเลวอยู่มีสติแล้วอยู่สายด่วนเข้าถึงความรู้สึกตัวให้ง่ายง่ายถ้าไม่มีก็เาอาใช้รีบวดช่วยหายใจเข้าหายใจออกเคลื่อนไหวต่างจังหวะตั้งโต้เป็นหลักเกาะหมันเหลาสะพาน ไ่สะพานมีลจับเีนิดหน่อยก็จับเราอยู่ไม่เป็นไาถ้าไม่มีราล่าเซไปเลยก็อาจจะไปเสียเวลาอออนีโบทเนี่ยช่วยได้เหมือ น, นเหล่าสะพานไอ้คนเจถือไม่เท่าตาสวนนอนเท่ายืนหาวเดียวไม่อยู่เซ ต้องถือไม่เท่าข้ามไว้ขาหนึ่งเป็นขาที่สามขาที่สองไม่ใช่ขาที่สองคือไม่เท่าเป็นนิมิตเป็นที่เกาะต้นแก่เช่นหลงตาในบางทีก็ต้องถือไม่เท่าการเดินไม่มั่นให้มั่นใจกลัวจะล้มอ๋อเ้า เจแบบร่างกายเขาเจแบบนั้นถ้าเจเท่าเหมือนวัตตะก็เป็นเช่นนั้นคือเจอเจ็บตายมันแก่ในความทุกข์เจในความสุขก็ได้ในความสุขก็เจเท่าตายไปจากความสุขกี่ชาติแล้วแเ่ในความทุกข์ตายไปจากความทุกข์กี่ชาติแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เป็นเจเจ็บตายอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเกิดดับเกิดดับ อาการเกิดดับหัวหนามลูปไม่ใช่เราเกิดมาได้กี่ปีกี่ปีอันนี้เป็นรูปนามน้องตาเนี่ยก็ไปแล้วเจ็ดสิบว้หลังเราใกล้เข้าแต่มสิบแล้วมาจะเข้าทันหลวงพ่อผมก็ไม่ทันชักวทีอันรูปนามเนี่ยมันเกิดทีเดียวตายทีเดียวแต่นํารูปเกิดบ่อยๆ วัตตะเป็นภพเป็นชาติในความสุขภบชาติในความทุกข์ผลชาติในความอยากผมชาติในความรักความชัง่งยื้อเลยจนเท่าไหร่แทนที่จะมีสุขในนามต า, าย เ, าเลยฟรีไปเลยจะเอาใจความสุขที่เป็นลูกทํานามทํามันไม่จริงเอากายเอาใจมันเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมีสติเข้าไป ให้มันดวนดวนอย่าเสื่เวลาความสุขความทุกข์ให้มันสิ้นพบสิ้นชาติซะอความสุขความทุกข์เนี่ยเหมือนคนภาคใต้ก็ลร้องเพลงกล่องลูกมาเท้านาลิเจกลางทะเลชี้พึ่งทะเลชีพึ่งมันเป็นไงฝนตกมันก็แข็งแดดออกชี่พึ่งก็ละลาย หมายถึงสุกถึงทุกข์นั่นแหละแต่ดีชีพึ่งคือสุกคือทุกข์ฝนตกคืแขง็งแดดออกคืละลายเป็นน้ําไปผู้จะไปถึงมะพร้าวในเจจะกินน้ำพร้าวได้ต้องผ่านทะเละชีพึ่งนี้หมายถึงสุกถึงทุกข์จึงถึงมะพร้าวอยู่สวนโมกย า, <im itation> านุท่านกดศักดิ์ นรื่มีเกาะมีน้ำอ้อมรอบมีเกาะอยู่ตรงกลางปูกผ้าไว้ต้นหนึ่งลูกดกมาอาจารย์พุะชาติเขียนไว้เพลงของลูกคนภาคใต้ง้ำพราวนาลิเจ ก, การัทะเลชีพึงฝนตกไม่ตองว่าลองไม่ถึงผู้จะไปถึงได้ต้องเป็นผู้หมดบาปบุญโดยหมดถุกทุกข อย่าให้เป็นเรื่องยากสุขนิดหน่อยทุกนิดหน่อยเมื่อสุกแลทุกใหญ่กว่าสุขเหมือนโกบโคกไปถึงน้ํากะลามาพ้าวน้ำลอยคู่อร่อยคย่อยก็ถือว่าเตรียมือนสุกล่องั่นแบบที่ไหนน้ำมันในเบึงมันมีสุขแบบโกบโคกอะไรก็มาเป็นสุขอะไรมาเป็นทุก น, นิดหน่อยรน่อย โดยเป็นนิสัยไม่เป็นพุทธจริทพุทธจริตต้องเล่าล่วงมีสติเข้าไปมีสติเข้าไปตามสติเข้าไปตามมาตามมามานี่มานี่หลวงพ่อเทียนสอนมาทางนี้มาทางนี้แล้วก็มีครัวเรื์ได้ยินเสียงได้เห็นท่าน บอกเราในะยุคนี้สมัยนี้ก็พิสูจน์ได้จากการกระทำเนี่ยไม่ต้องไปใช้สมองเอาการกระทำสัมผัสเข้าไปเวลามัาหลงรู้เนี่ยเวลามันสุกรู้เวลามาลลันามาามาทุกรู้อย่างนี้เรียกว่าปฏิปปติคือโต้โต้ทักท่วง อย่าไปอยู่อย่าไปหยุดออกมาทักท้วงนี่หรือสุขนี่หรือทุกข์อะไอย่างเนี้ยนี่คือความโกรธนี่คือความหลงนี่คือความรักความชัง่ะทักท้วงให้เป็นไก่จ๋าทักท้วงแล้วไก่โจ๊กไม่รู้จักทักท้วงติดบ่วงลายพานอะไรก็เอาหัว ไก่จ่ามันดูมันเห็นมันบอกมันทักท้วงเห็นได้ยินเห็นเหยว่ก็ทักท้วงเยว่แล้วไก่จกไม่จับทักท้วงสุลูซิลีนึกจังไก่จ่าไก่ชกไหมเดียในวันนี้มีไก่จ่าไก่จ่าหางแซมสีขาวหางย้อย ไก่โจ๊กอ่างไม่มีย้อยหางตรงตรงนั่นแหะถูกบ่วงชีวิตของไก่โจ๊กใช้ชิตไม่แม่นย่ำแท้จริงมักจะสุขสุขทุกข์ก็เป็นสุขก็ไป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นความโกรธก็ความโกรธความลักเป็นความลักความชังเป็นความชังว่าไก่โจ๊กถูกบ่วงของมารจิเรตมารขันธ์มารมัดจุมงาน เอ๋บุตรตมานันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใค่ชีวิตไม่ถูกต้องเราจะมีสติเนี่ยยกชกออกว่าขนจ่องออกมาธรรมะเป็นการขนส่งรู้จักตัวทีขนส่งเพื่ อ, อพ้นไปจากความหลง มันหลงพุ่นจากความหลงขนส่งตัวขนส่งไม่ขนพ้นจากความหลงแต่ไม่ใช่คนช่วยธรรมะเช่นผู้เจ้าเยือนอยู่บนฝั่งปุถุชนอยู่ในห้วงน้ำมุดน้ำลงไปโผล่ขึ้นมามุดลงไปโผล่ขึ้นมา ผู้ที่เคยมุดน้ำผู้ที่ขึ้นไปยืนหวนฝั่งเห็นคนมุดน้ำเป็นเรื่องที่น่าสงสารขึ้นมาขึ้นมาบางคนก็เห็นแต่ไม่สนใจที่จะขึ้นบางคนเห็นเอ๊ก็สนใจที่ขึ้นก็แวกไหว้ไปอาศัยตัวเองวยไปชวนไปน่าเพียงปาก โขึ้นมาว่ายไปในน้าเพียงคอไหว้ไปอีกน้าเพียงหน้า อ, อกว่ายไปอีกน้ําเพียงเอวไม่ต้องไหายแล้วบัดเดินแล้วบัดเดิเดินไปอีกน้าเพียงเข่าเดินไปอีกน้ําเพียงน่องต่างกันมากับลอยคอเห็นหมายถึงเทียบท่าเป็น ลอยคอเป็นสุขลอยคอเหมืนอนคนอยู่ในน้าขึ้นฝั่งได้ยากเห็นเทียบท่าพระดินผ่านถ้าพระนินผ่านเป็นฝั่งถ้าเห็นเหมือนถึงฝั่งหมายถึงเทียบทาพราอมจะก้าวขึ้นได้ง่ายๆถ้าเป็นหรอลอยคอขึ้นยากเหมือนคนลอยคออยู่บนฝั่งตีนยังไงก็ไม่ขึ้น ก็ยืนอยู่เห็นเหมือนฝั่งกับที่ยืนเสมอ ก, กันหมดง่ายๆ ย, ยังสอนวิธีไม่มีคําอะไรที่มาพูดว่าให้เห็นอย่าเป็นได้เห็นเนี่ยมัง่ายถ้าเป็นมันมันจะมุดจู่มันก็มาให้เราเป็นมาให้เราเห็นเราจะแก้ตรงนี้เตียนตรงนี้ มีความเห็ น, นงนีนอย่างที่เราสวดอเรียมักมีองแปดตมมงสมาธิเบิ่งโตนเห็นนั่นไม่ใช่เป็นเลยจนถึงสมาสมาธิเห็นสุขเห็นทุกข์ละสุขเด้ทุกข์จะได้มีสติเป็นเอกก็สู่อจมาิานนิพพาน ก็จากการเห็นแล้ใครจะช่วยไปได้จึงมีแต่เพียงบอกการกระทําเป็นหน้าที่ของเราพระเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทําเป็นหน้าที่ของเราไปไปทางนี้เราก็เดินไปบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังไปไปบางทีพระเจ้าอยู่ข้างหน้ามามาเหมือนอย่างนั้น เราเอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับเมพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็พูดอย่างนี้จริงๆพิกษุเมื่อบวชใหม่พระพุทธเจ้าบอกว่านโ น, น่นโคนไม้นโน่นเลือนว่างโน่นถ้าโน่นป่าบอกพระสงฆ์ที่บวชใหม่เข้าไปใ น, นป่าในดงพิสุบางรูปกลัวก็กลัวที่ไร้คิดถึงพระพุทธเจ้าให้คิดถึงเหล่าตถาคต สงก็เวลากลัวคิดถึงพระเจ้าหลงกลัวก็หายไปได้ถือว่าพระเจ้ามีอยู่ทุกคนทุกงานนอกจาเคยกลัวเหมือนกันกลัวควบคิดใบไม่บวชใหม่ตัวมาเกิดนิดนิดขึ้นมาชู้กับผีไปนอนกับหลงผี แล้วก็หีบศกผีที่มันฆ่ากันตายมันเน่าเหม็นมาทำเป็นกระดานปูนอนมันก็มีกลิ่นเหม็นเหมนนอนอยู่ก็เหม็นกระดานพื้นนอนอยู่เหม็นเหม็นทีเดยคิดถึงศพเราไปเทศพออกจะหีบศพหลงหลุมแล้วก็เหม็นเราคิดไปก็คิดถึงเห็นศพ แล้ว ก, ก็หลับกับความคิดตั้งใหม่ๆอยางกรรมฐานไม่จริงแต่ไปมีคาถาป่าผีอันจริงอยู่นี่ยก็หลับไปก็บศกแล้วนะจิ้งมายิ่งมาก็ว่าคาถาศพขี้งออกไปก็หยุดว่าคาถาศพขี้งเข้ามากะว่าคาถาศกก็ขิ้งออกไปคาถาไล่ผีก็ไม่ใช่ละ อิติปิโสเนี่ยร้อยแปดแต่ว่าเป็นภาษาเป็นคาถาไม่ใช่เป็นอัฐกาถาเอ็นอิโถรจะเรียนก็อิโถสมิติตนังกี่ั้นโตโสกันยทังดมานุปโตทมตังหน่อโอ้ไม่ลืมเนาะห้าสิปีเราไม่ลืมเลยอิดโถสมิตรตั้งจะั่งกี่ั้นโตโสกันยทังดมานุปโตที้มตังามหัง อิตัวเดียวหน่ยเป็นคาถาแปอิติตินโนยุตตทุกคำแจงโรติทพว่าติติกันติจังชนะโอขังนมาม่ห่งอิติปิสโสแต่ละตัวเนี่มีคาถาว่าเนี่ยผีก็เที่ยงออกไปเคยไปไล่ผีสมัยเป็นโยมหมอไล่ผีผีไล่ผีหนาผีผ้าผีปูที่ไหนนนดาบ่าหมดแถวตรว ด, ดก็เคยไป ไล่ผีแถวหนองหวานแถวครูพระบ้านานาเฉียวนาวังเนี่ยเป็นหมอทําน้อยคนบ้านนาเฉียวนาวังบ้านานาเีดวนไม่มองหน้ารเราเวลาเดินเข้าบ้านเขาพวกผีทั้งหลายผีผีทั้งหลายเขาเกลียดเราไม่อยากให้หน้าเราเดินเข้าบ้านไปเขาปีเปตัวเลยเไปไล่ผีเขาก็เลยไม่กลัวผีแต่ว่ามันมันฝัน นัก็ไล่ชู้กับผีว่าคาถาไปผีก็เจี้งหนีพอเจี้งหนีไปก็ไม่เหม็นต่มันเจี้ยงขึ้นมาก็เหม็นไปว่าคาถามันก็เหนื่อยก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เอ๊อตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเอาลุกขึ้นมามาก็ยังเหม็นอยู่อ้าวมันอะไรมันเหม็นอยู่ ผีไอ้นี่มันมาหาเราเลยนะคิเห็นจบมันไม่กลัวหรอกเราก็าบอกเพื่อน อ, อมันบ้าเรื่องอะไรไหนอะื่นเท่งเงินจะไปหาเพื่อนปลูกเพื่อนว่าผีหลอกมันนะ่าอายเขานะไอ้ผีมันฆ่าเราตูเจมันจะฆ่าได้มนะ้ไหมเอ อ, เ อ, อมันอะไรมันเกิดขึ้นอะไรยกเบือเช้าอย่างนี้วะโอ้จุดตัว นัง่งเยอะพอยกมือสองสามรอบหายเหมนอะไรกั น, น, นโอ้วันนั้นก็เป็นนิมิตหลอกได้ระวังพระเจ้าพกวกเราพระสงฆ์ย่งคิดถึงพุทธเจ้าก็ไม่คิดถึงเจ้าคืออะไรพระบาวะที่ดูคือพุทธะดูสึ่งตัวอยู่ ว, ว, วนเขาวนป่าบุญปูเขามีพี่อะไรก็สึ่งตัวไม่มีดอก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 กลัวความกา็ไม่ให้ความคิดไม่ให้กายมันหลอกได้เราจะเป็นใหญ่เขาเหลอกเองอย่างนี้เรียกว่าทำเป็นเอกเป็นเอกผุดขึ้นหนึ่งเท่านั้นทุกคนมีตรงนี้เป็นอันเดียวกันเริ่มงทนในความรื่อตัวอันเดียวกันแล้ว ให้รูปสิกตัวเนี่ยอันเดียวกันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัยง่ายๆรูปแบบเราก็ง่ายๆไม่ต้องการตำลาถ้าเรามีกรมรูปสึกตัวที่เกิดกันว่าวพัมะวิภาคปริเคเทเด่นไม่ต้องไปอ่านาาาารราห น, งง น, นังสือสติกรมลึกได้สองชัญญะของมรูปตัว ไม่ต้องวามันมีความลึกได้รู้ตัวอยู่เนี่ยเดมันคิดไปก็รูต้ตัวแต่มารู้ตัวขณะที่ทำอยู่รู้ตัวก่อนผู้ก่อน้องข่อนคิดแล้วลึกได้รู้ตัวมันจะไปไหนเดอลร่วมไหนหนองท้องจะไปไหนต้องอยู่นี่แน่นอนตั้งต้นจากภาวะที่รู้เนี่ย บุญก็อยู่ที่นี่ละบาปก็อยู่ที่นี่อุสรความฉลาดก็อยู่ที่นี่มาเป็นพวงพวงถูกต้องเกิดขึ้นเป็นพวงควงผิดพลาดออกไปทำเรื่องเดียวมันมันเป็นการละชั่วทำเรื่องเดียวเป็นการทำความดีมันไม่ยากพระเจ้าจึง ตืนเต้นเลยโอ้ย่าไปบอกใครนาอเนี่ยมันไปแค่วบบปิดบังอะไรนี้หน่อยเส้นผมบงังผู้เขาเออตือดูลนุนเทไปบอกคนนี่นี่นี่มาดูนี่ไปครับปัญจพิีปัญจพีนี่ตามไปดูดูดูก่อนดูก่อนดูกนชวนชวนพคตมาดูมาดูาดชวนมาดู ไปทางไหนพระเจ้าชู้งลยอยมาดูโลกนี้อาวิกิจการดดราดจะลดให้คนหลงพากันหมกอยู่ผู้มีสติปัญญาเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วไปหลงทำไมไปโกรธทำไมไปทุกข์ทำไมไปดีใจเสียใจอะไรกันไม่ใช่ที่อยู่ของเราที่นั่นไม่ใช่ที่อยู่เป็นทางผ่าน เราบ๊อแบมแบมเกิดข yes ึ้นเป็นข้างเป็นเขาไม่จริงไม่จีหลังยั่งยืนมาเห็นให้มันผ่านไปน่ะมาๆน่ะเหมือนกับอย่างนั้นนองก็ตือดือล่นเวลาใดที่ได้เดินอยู่สานเดินอย่างกรมสุดหัวใจเวลาใดที่ได้นั่งอยู่กติกนั่งซ่างนี่สุดหัวใจเท่านี้ชีวิตเราพอยยน ฉันอาหารเสร็จอุ้มบาตกับกติไม่เข้ามาที่ไหนล้างบาตเช็ดบาตรวางหลาดลงนั่งสร้างจังหวะถ้ามันหนาวเอาผาหวหมอนหุมสร้างจะงหวะในผ้าห่มปิดหูปิดต่างสร้างจะงหวะในผ้าหม่ม ไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปยืนตากแดดท่านยืนตากแดดแล้วก็นั่งอยู่ในกติละโรงแต่พระหงุมกลมหนาวศูนย์ลบสี่องศานั่งในพระหงมสร้างจังหวะแดดนั่งอยู่กลางแดดหลังกติตากแดดเงื่อไหไม่เอาของร่อนมาเป็นอุปจักรไหลลง ว่าอังสะเป็นเหิุนุ่งเปียกนอนกับเปียกแห้งก็เปียกจนที่นั่งเป็นลอยนั่งมันมันออกมันไม่โลภทูเท่าไหร่ก็ออกเป็นลอยนั่งอาศัยไม่น้าสามพิงหลังทั้งขัดสมาธิตั้งปักเพียบตั้งนั่งซอยขาอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นภาพอดีตล้ำลึก ทั้งหนึ่งในชีวิตของเราเคยทำชีวิตแบบนี้มาไม่ได้ทำอย่างอื่นจากเป็นชีวิตที่ที่ทุกข์ที่ยากในโลกก็ว่าได้อย่ามาคุยเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องอะไรต่างๆแขงหาก็แข่ง้ะยาเรา่นั้นเราในนี้แหละ อยาตอลองเรื่องอื่นเลยมศึกษาแล้วนี่กันจนาะยัางไงเราใจเข้าถึงความรู้สึกตัวในกายก็มีจริงให้รู้สตัวสักครั้งหนึ่งในคิดเราลองดูมันจะไม่เลือหมันจะไม่หลงตัวหนึ่งมันเป็นตาเหมือนเลนถ่ายภาพผิวโดยอ็ อะไรเดือดร้อนก็เป็นมิตรกันสัญญากันระยะยาวเป็นกันเลียะนมิตรไม่หวันที่จะทะเลาะวิวาสเบียดเปลียนกันเป็น ก, นนการสัญญาระยะยาวเรียกว่ากันเลีมิตรพาไปถึงมรรคถึงผลได้นี่คือมังไทยคนไทยนักบวชวัดว่ า, าลาะ อยู่ด้วยกันไปไม่ได้อยู่ก็ไม่เป็นไรนั่นต้องอยู่ตัวเองถ้าออกจากนี้ไปไปอยู่ที่ไหนก็อันเดียวกันนั่นแหละจิติอันเดียวกันคนเดียวกันแล้วอุ่นอบอุ่นใจถ้ามีโอกาสก็มาถ้าไม่มีโอกาสก็ไปถ้าจะไปทางไหนป้องกันได้ถ้าจะไปศึกษาธรรมะฝากฝัง ปากฝังไม่เกียรติไม่ศักดิ์สิทที่นี่ก็เป็นวัดที่มีชื่อในประเทศไทยวัดหนึ่งถูตกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีเจ้าวาดสามารถออกใบอนุสาบัดยกเว้นภาษีได้าเวลานี้เขาก็ประชุมกันใหญ่ รอยปีหลวงพ่อเทียนเขาจะจัดขึ้นไม่ใช่พวกเราเป็นกลุ่มหนึ่งรังหากที่เขาเอาหลวงพ่อเทียนเป็นหลักมันการสอนธรรมะยุคนี้สมัยนี้ไปชมรอยปีหลวงพ่อเทียนถ้าไม่ใช่ที่นี่ก็วัดโนกฮอนเกือนสมแห่งที่เขาคันเลือกจะไปะชมร้อยปีชีวิตหลวงปู่เทียน ในยุคนี้สมัยนี้นะ่ะแล้วก็ทำให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมของพระเจ้าสังสอนแล้วปฏิบัติแบบนี้ต่อไปเกิดรักพระธรรมรักพระพุทธเจ้าขึ้นมาล น, นี่ก็มีคนมาซื้อบ้านแถวเขื่อนพี่น้องรวงกันชื่อห้าหลัง น้องไปพ่วนติดเกลื่อนตั้งชื่อบ้านว่าบ้านธรรมธาคุยไปมไหม <c oughs> นี่ก็มีนั่นก็เอาเถอะพวกหองเอาเถ่าจะทิ้งกัน